เพือนิกษุด้วยการฟังแล้วก็เจริญพรญาติโยมตั้งใจฟังที่เราปฏิบัติธรรมะนี่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตจะว่าปฏิบัติธรรมะก็ได้จะว่าปฏิบัติกรรมฐานก็ได้จะว่าวิปัสสนาก็ได้เอ <c oughs> าสมมติซื้อให้มัน แต่ความจริงแล้วเขามาทําความรู้สึกตัวนี่แหละการทําความรู้สึกตัวนี่คนก็เว้ากันมาหลายนานปีนานวันมาแล้วเขาเว้ากันมาหลือว่าให้รู้สึกตัวเน้อดูสิพ่อแม่เนี่ยพ่อขว่าให้ฟังทําพูดคิดให้รู้สึกตัวนะอย่าลืมตัวนะเป็นว่าเนี่ยมันมีความหมายขันมาให้รู้สึกตัวนี่อย่าลืมตัวนี่ เขาเพียงเป็นเพียงเข้าใจคำพูดซื่อๆเขาบบได้เข้าใจแท้ๆเนื้อแท้มันจรงว่ะโบอคอยได้บอากันคันมาว่ากันกับว่าแต่เปลือกนอกๆนี้จิตใจคนมันก็เลยบ่ได้เปลี่ยนแปลงจากสภาพไปคนว่าไม่ให้รู้สึกตัวเนี่ยให้รู้สึกตัวเน้อให้ตื่นตัวเนื้อ ห, หมายถึงให้รู้ใจพุ้นี้ให้รู้กายภายนอกกับแม่แต่ให้รู้ใจพู้นี้ รู้สึกตัวได้หมายถึงรู้สึกใจใจมันนึกมันคิดอัด่าใดให้รู้เบื้องแรกการเจริญวิปัสนาหรือเจริญสติหรือเจริญสมาธิหรือทํำข่มรู้สึกตัวนี่ทำที่แรกนะโมโรูมิยังเฮ็ดซื้อเฮ็ดซื้อเหตุซื้อจีมีความหมายอย่างไดเฮ็ดซื้อมันก็ได้ขุมอันซื้อๆนั่นล่ะมาขุหมหมายมันเหตุซื้อ ให้มันเป็นซื้อซื้อมันเป็นเองควรมเป็นเองที่ว่าเป็นซื้อซื้อโมได้ซื้อบมได้หาโมได้เอาเงินเอาทองไปย้างคนอื่นมาทําให้จีว่าให้ซื้อซื้อเป็นซื้อซื้อเป็นนั่นจเป็นซื้อเป็นซื้อซื้อคะเป็นซื้อซื้อนี่ก็ว่ากันก็อาจจะเข้าใจยากคือเป็นอันที่มันโมใจหายเนี่ยแหละมันใจมันบมโกด์มันโมโลบมันโมหลงนั่นแหละเราจีเห็นจีรู้อันนั้นว่าให้ซื้อซื้อ มันจะได้ซื้อๆอได้ซื้อๆกับโบได้ลงทุนโบได้ซื้อมันเป็นซื้อๆควรมเป็นเองจวมมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนไม่ยกเว้นเรื่องเพนีแต่ว่าคนผู้นั้นจะทําให้มันรู้หรือหรือจีโบทําให้รู้นั่นนะจีทําให้มันมีหรือจีโบ ท, ท, าาทำให้มันมีเท่านั้นซื้อๆถ้าหากทําให้มันมีนั้นก็ต้องทําเองโบมีผู้อื้อจีทําให้เหาอีกตืมการทําอย่างนี้ก็ได้ พ่อทําให้กับโบได้แม่ทําให้กับโบได้ลูกทําให้กับโบได้สา ม, ามีภรรยาอยู่ด้วยกันทําช่วยกันกับโบได้เพียงแต่แนนแ น, แนววิธีให้เท่านั้นซื้ซอดังนั้นวิธีนั่นก็ต้องบอกกันแหละให้เห็นจังหวะนั่งนิ่งๆไม่ได้ต้องให้เคลื่อนไหวอยู่เสมอนง่การเคลื่อนไหวนะั่นหอยจีว่ากัน ซ, ซื้อนี่แหละแต่ว่าต้องมีจังหวะ อย่างที่ของเฮกันิสู้มือหนี่งทำซาซาสะก้อนขนใหม่พลิกมือขึ้นซาซายกซาซาให้มันรู้จักว่ามันไปมันหยุดมันไปมันหยุดมันเซามันเคลื่อนมันไหวมันเซาวางสังกาได้แล้วให้รู้สึกตัวมันเซาแล้วมันหยุดไหวหยุดนั่นไปแล้วอันนี้มันไหวขึ้นมาแล้วนี่มันไปแล้วนี่ให้หูจักรจะทํซาซาควมหูจักอนันนต์เพิร์ลสัญญา ปัญญาจึงว่าขมจําหมายรู้จําได้จําได้เมื่อจําได้แล้วซีิมันมีหานหยานปัญญาเนี้ยหยานขมรู้หานจึงว่าปัญญาหานจึงว่าขมรู้หานจึงว่าผาหนะหานจึงว่าขนซ่งมันหลายคําพูดผนมาขนซ่งจังใดขนซ่งคนคนนี้เข้าไปฝากนี้เอาไปแฝาก น, านั่นขนคนออกจากผีจากเป้จากมานกล่ว่าได้ เหาบรเห็นด้วยตาได้อันนเมื่อเห็นจับโบธุกด้วยมือมองบรเห็นด้วยตาคนจิตคนใจากับว่าได้เอาใจีวานะหรือจีว่าสมมุทรคนคนนี่จากโลกอันนี้ไปนิพพานกับว่าได้มันเรื่องสมมุติดังนั้นจึงว่าให้เหารู้จักสมมุตรจริจริงๆสมมุติได้ไหมเออสมญญมุติบัญญัติปรามัดบัญญัติอัฏฐบัญญัติ อริยบัญญัติบนเป็นวอลซื้อเว้าต้องใจต้องเห็นต้องรู้ต้องสัมผัสนําอีกตึมทีนึงอันวอานั้นที่แท้พูดแต่กับวอลเปลี่ยนเนีอันว่าสมมติบัญญัติปรมัตดบัญญัติอัฏฐบัญญัติอนิยบัญญัติเนี่ยแต่คนแท้บนมีผู้วอาบุรุษจีมีผู้วอลเน่ยพ่อกระบอกหัจักเนี่ยพ่อโบเคยได้ยินเนี่ยพ่อไปปฏิบัติเน่ยพ่อรู้เน่ยพ่อจึงเอาเจ้าของวอาเน่ยพ่อมาว่า ไพซีว่าเนี่ยกับเรื่องของคนอื่นเรื่องของเนี่ยพร้อมเป็นเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องผู้อื่นจีวา้าผู้อื่นก็ว่าเรื่องของผู้อื่นจีว่าการปฏิบัติแบบนี้จีว่าบวกขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์บวกขึ้นอยู่กับตํำลับตาหักขึ้นอยู่กับตัวการกระทําการกระทําของผู้ใดทําขยันทํำเก่งทําให้รู้สึกจริงๆลู้ถ้าหากทําซื่อๆอยากดีอยากเด่นอยากดัง อยากมีอิทธิปฏิหารบมเนีนอีกฟิมแล้วอยากดีมันก็ได้ความดีมาลบบ่เดียวอยากดังมันก็ได้ความดังมาลบบ่เดียวอยากมีอิทธิปฏิหารมันก็เป็นมาลบแต่ว่าบทเสนอของจริงเน๊มันจีเป็นมายาลอกใจของซื้อดีเด๊ะบ่เดียวเจ้าของจีเป็นนั่งมันมีคาถาอันนึงว่าเพิ่นวะคาถ า, ามาขี้เหอนหมาจีจอกเพิ่นวะหมาป้าหมาเยี่ยเพิ่นวาให้ฟังพ่อแม่หมาเน่เขาเลี้ยงเหมือนไว้ เขาจีเอาไปใส่กั่มันก็ต้องไปแลมเขามันแล่นไปเริ่มไปแล่นข่วงน้าเขาอยู่มันยืนข่วงทางเขาไปเตะมันตูมหนึ่งเง่งแล้วมันหนีไปโน่นอ้มนเรื่อมตามันเก้งว่าแต่มันหายตัวได้คนเบิ้งมันจึงโบเห็นมันมีคนจะไปเตะมันนะจ๊ะเนี่ยหมาไม่เป็นอะไรถ้าหากเอาย่างไปมันแล่นไปก้อนเขาก็มันจะข่วงน้าอยู่ของน้าเซโอ้ยมนมันจืดมันจางมันหายไปแล้วว่าจ๊ะหมามันเป็น อันนี้แหละเขาอยากเห็นมันก็เลยเห็นมาโลดอยากดีมันก็ดีมาโลดอยากดังมันก็ดังมาโลดอยากเป็ น, สนเสน่ห์เป็นมันเพาะใจนั่นเองอยา่ า, า, ามาคาถามาจีจอกเปิ่นวางท่นเป็นคาถาเป็นวิาาสขาข ว, วงกันไว้อหอบบรรลุทำได้เปิน่นาวาจงท่านเนื่องคนทำวิปัสนานี่มันจึง ต, ต่างกันต่างกันเนีย่ยโบเซว่าจีคือกันหมดทุกคนเนี่ยลักษณะจิตใจ ถ้าหากมาทำวิปัสนาย่างที่ห่าพอวาอยู่เดี๋ยวนี้นี่ฟังแล้วจำได้ไปทาหลถดข้อแรกเนี่ยต้องเลิกเลิกข่มสัวทุกประเภณอันนี้บอกกับศิษยนี่ซึ่งเสพติดมึนเมาทุกประเภทีเน้กิริยาบารยาทุกอย่างต้องฝึกหัดดัดแปลงปฏิบัติก ง, งายหกเขาบ่ธันเลิก ข้อมซัวขวอมบูดีนั้นปฏิบัติกยากหรือเขาบอหยุดบูเสาซิ่งที่มันบูดีนั้นจะรูยากและเขาบอเคยฝึกหัดดัดนิสัยกิริยามารยาทที่มันบูดีนั้นเป็นการรูได้ยากญาพ่อคำนวณผู้เดียวนี่เพราะญาพ่อไปปฏิบัติธรรมะญ า, าพ่อไปทำ ม, มันโบนาณไหมแต่ญาพ่อหักธรรมมาไต้นานแล้วทำพุโทโธ สัมาอ拉หังนับหนึ่งสองสามพองยุบหายใจเข้าสั้นออกอยาวนี่เฉพาะเฮตมาหมดแล้วมูนแต่ห้อยังบทันรูเมื่อไปทําแบบเคลื่อนไหวนี่บทันนานมึดเดีือกเอ้หบุดเดือ ก, บ, บ, ดดก บ, บนไม่ใช่ว่าอึดใจเดียวสิทําอยู่มือหนึ่งสองมือกับหูหลุดอันโบญาหูจักข้อแล้วก้าหูจักเรื่องรูปเรื่องนามนี่แหละอย่างที่นย่พอวาสุฟังหูจักแล้วก็เลิกหลุดอย่าพอ เรื่อง yourself, yourself ทุกข์เนี่ยพอรู้จริงๆเน่ยพ่อจึงว่าเห็นคนทำผิดมันทุกข์ขาเจ้าบูฮู้จักขาเจ้าบูฮู้จักได้ขาเจ้าอย่างเห็ดเลยบบแม่ขาเจ้าจีไว้ฮู้จักอย่างเห็ดอยู่แต่โบแมนคนบูฮู้จักอย่างเห็ดถ้าคนฮู้จักเราเลิกโหลดอันจำเพื่อนมาว่าซื้อๆในโบแมนจำซื้อได้อันี่ยโบเม่เห็นด้วยญาณโบได้เห็นด้วยปัญญาโบได้เห็นด้วยการเห็นแจ้งเดี๋ยไป ฟังเพื่อนว้าจําได้ของวาออ้าวโอซื่อนี่เรื่องหมูลนี่ที่ว่าการเลิกสิ่งสัวลายนั้นบ่มีมีก็ น, น้อยเคยย่างโม่พอออกไม่ออกหรือว่าญาติโยมที่ว่าเสนอก็ได้แล้วว่าพอออกไม่ออกก็ได้ว่าญาติว่าโยมก็ได้เห็นเส้บ้านเน่พอว่าได้ทั้งสองความั น, นหรือเพื่อนภิกษุยุ่งกันก น, กนี่ก็คือการวิญญาณพ่อลูกครูบาองนั้นองนี้เน้อนื้อกาว่าได้ถ้าหากบมเลิกแล้วการ ที่จะเกิดปัญญานั้นยากเพราะว่ามันยังทําซัวอยู่เด้ใจมันยังซัวอยู่พุ่นหาบเห็นเน้่กุดซัวนี่ใจพุ่นมันเป็นโบเป็นตัวเขาเป็นเด้่ใจมันเป็นใจมันโบอยากเลิกโบอยากละแล้วขุมดึงดุดมันผลเอินอุปาทานมันติดอยู่มันยังอยากเฮ็ดอยากทำอยู่ขุมซัวนะขุมดีก็เกิดขึ้นบมได้ถ้าเขาทําซัวอยู่ขุมดีมันจะเกิดขึ้นหมดคล้ายๆลายคือน้ําที่มันสกปรกน้ําขุ่น แล้วเขาเคยทางคนกรุงเทพอาจิโบเคยก็ได้บ้านเนี่ยพ่อมันเคยเฮ็ดนาย่างไปนําทงให้ทงหนาตงัวงวตัวคุยมันเยียบขี้ตมเยียบน้ํำากลางน้าคุ้นนานนานไปแล้วคี้ตมตะกอนนั้นมันก็ตกอยู่ในหอยมันั้นเมื่อมีลมพัดเรื่มคนไปกวนมันนําอันที่มันตกตะกอนจะคุ้นขึ้นมาโหลด มันนี้คันนานๆไปแล้วน้ําตะกอนอันคิดตุ่มนั่นมองดูกับน้ําให้อีกเติมตะกอนกับน้ำโบเซเป็นอันเดียวกันนี่คนละอันกันคิดตมกับตะกอนคนละอันกันคันถ้าอันเดียวกันมันก็ต้องคุ้นอยู่โบเซจากเธอแล้วมันคนละอันกันเอาพิจารณาแล้วเอาน้ําออกจากตะกอนเอาตะกอนออกจากน้าก็ได้เอาน้ําออกจากตะกอนก็ได้น้ําที่สกปรกนั่นหักโบเอา เอาแต่น้ําที่มันโบสซโคปกนั้นอันนั้นมันเจื่อสซโคปกอยู่นั้นเ่าบวมอามาอันตะกอนั่นนะห่าบวมออกมาแต่มันกรปุยเขาที่วิจัยออกมันกรยากเพราะห่าวบมีวิทยาศาสตร์หลายอย่างอันใจเขานี่ก็คือกันใจยังโบเยกโบอยากเลิกลาจะขมซัวนั้นมันกรบรสะอาดเลยใจอยากเลิกอยากละจยากขมซัวแล้วก็ออกไงเหงาพว่าระว่าเรื่องเรื่องหมูี่ เน่ยพ่อทากองกระทินยังว่าไม่ออกไม่เทียดนี่ไปถามเอาเงินให้พามหมอลําใจมันปุ๊บโลดบอเดียวแก้ข่มจริงว่ากันแล้วแกทําไมมันเครียดอีกตื่น ม, มันโกรธขึ้นมาอีกตื่นนักตึ๊กในใจคุณเป็นอะไรสันแล้วเนี่พ่อว่าโอ้อันนี้แหละมันทุกข์มากพี่ปองออกจากอันนี้แล้วสมันก็ออกนายแล้วและบางคนว่าโอ้ข่มโกรธว่มรวบข่มหลงนี่มันเป็นธรรมดาดอกสันกระแมนของข้าเจ้าอยู่มันเป็นธรรมดา ที่ว่ามันน้ําคุ้นมันก็จึงบบเอ้าออกจากตมจากตะกอนอันนั้นได้ถ้าหากคิดว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์แล้วสิแยกน้ํากับแยกตะกอนออกจากกันได้ง่ายๆเรื่องมูลเพราะมันเกิดความบูดีขึ้นมามันคิดยากแล้วโบเอาโหลดบยเหตุโหลดมันบูดีได้ซึ่งเนี่ยมันหูจักเลยเด้อันว่าอยู่นี่ก็ว่าให้หูจักให้ได้ยินนั่นแหละได้ยินได้ฟังเพื่อว่ามันบูดีเด้เอากลเลิกโหลด มันก็ง่ายขึ้นอันนี้จีวาปฏิบัติกรูง่ายที่แบบนี้เพราะว่ามันง่ายแล้วเนี่มันเป็นทางไปเลยเนี่ยเพื่อนไว้ฟังเลยเนี่อันนี้เขาบวเป็นึ่งท่านเขาจะคอยห่าให้มันเลิกผู้เดียวเอามันจีเลิกอย่างนี้ของจิตใจมันเศร้าหมองอยู่แล้วน้ามันบวกออกจากตะกอนตะกอนมันก็บวกออกจากน้ําแล้วแบบนี้มันก็เลยออกมานก็ป้นกันอยู่แล้วมือหายมือดีมือหายมือดีมือสว่างมือเศร้าหมองไปท่นแล้ว เมื่อซึมเศร้ามึงหดหู้หดโหเนี่ยนะงกงวงซึมเศ้าร์เนี่ยห่อจิตใจมันแหวเขาหลือมันห่อหุ้มอยู่เสียจิวาจะไหนกวา่ามันบ่มีโตเ ด, ด้แต่บ่มไ ม, ม่จิตใจเ่าเด้อันนั้นอันนั้นมันมันเป็นวัตถุชนิดหนึง่งวัตถุนี่จิว่าหมายรวมหลายอย่างจิว่าเป็นสมมุติว่าขึ้นมาวัตถุนี่หมายถึงตาเขาก็เป็นวัตถุ หูเขาก็เป็นว de ัตถุจะมูกเขาก็เป็นวัตถุปากเขาเนี่ยก็เป็นวัตถุกายนี่ก็เป็นวัตถุใจก็เป็นวัตถุวัตถุจิงว่ามันมีหลายอย่างความจริงนั้นสมมุติว่าให้มันวัตถุมันบูรหักมันบูรหัจมีว่ามันเป็นวัตถุอย่างสันสิบูรหัจวัตถุจึงมีจริงปรมัดแบบนี้มีจริงจริงโดยสมมุติแบบนี้สมมุติอย่างไดรนะเพราะว่าเฮ็ดไปเ้าจะก็เป็นปรมัดแล้ว ปรามาัดแปลวของจริงได้จริงโดยสมมุติคำว่าจริงโดยสมมุตรริไี่หมายความาในมันเป็นจริงแต่มันแก้ถูกบดได้เพิ่นเอิญว่าเป็นสมมุติสมมุติเอิญปรามัดที่ว่าสมมุติบัญญัติปลามาตัติมันอัฐาบัญญัติอะไรนั่นตามครูบาอาจารย์เพิม่มอัถาเพิม่มว่าได้แกอริยมรรคองค์รามรรคแปดอะนั่นอัถาแปลว่าลึกยากบุคคลจะรู้อะไรนั่น คันว่าท่านสั้นมือนกับบุญม่ของฤกอัฏฐาเป็ว่ายากบุคคลจะเลิกละจากข่มสัวว่าสั้นวาง่ายๆอันนี้มันยากเหมือนพยักออกจากข่มสัวนี่เชื่อเอิญอัฏฐาบัญญัติเขาเลิกละจากข่มสัวแล้วเป็นอริยบัญญัติอริยบัญญัติก็สมมุติว่าซื้อเพื่อเอินอริยบุคคลถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นพอบ้านเมเลือนคนเอินพระโสดาบันบุคคลขันถ้าเป็นเจ้าหัวเป็นพระเป็นเนรคน เพิ่นพระอริยสงฆ์อันเ น, นี่ยคูมเดียวกันอริยะบุคคลกับอริยสงฆ์คูมเดียวกันจึงว่าอัตถะบัญญัตอิอริยบัญญัติอัตถะคือยากใจขเขาจี๊ยเลิกละาจะข่มซัวคุณนะสมมุติวายื่อแต่ก็จริงโดยสมมุติอย่าพอหู้จักเลยอย่าพอเลิกมือนั้นเลยอย่าพอสู้บุรีอยู่ได้แต่ก่อนอย่าพอบุหัวจักอย่าพวายฝังอย่าพอติดบุรีนี่พราะพ อ, พอ ไปนอนนากับพอพอกันเลยให้ไปติดไฟไปต่อไฟหรือไปจุไฟไวาจะไหนหู้โดยพอบุ้งหุจักภาษาทางกรุงเทพ่าแล้วเอาไปให้พอสูบไลฮินไลยุงไถนาอย่าพ่อไปปฏิบัติแล้วอย่าพ่อหลูดอย่าพ่อเลิกแต่เมื่อนั้นเลิกโดยบุมีเหตวายฝั่งหลดุดอย่าพ่อบ่ชิวาให้เอามากินต้มมาสูบตึมได้ดีเด้ดีกับตำซาผู้อื่น อย่าพอโบดีอย่าพอบอ่ออย่าพอเลิกโรดอันนี้เพราะว่าเห็นแจ้งด้วยสติปัญญาด้วยญาณปัญญาเพื่นว่าวิปัสสนาเกิดขึ้นให้เห็นบัดนี้แม่ออกพอออกรวยโยมก็ได้พวกท่านมาฟังหรือพระส่งองค์เจ้าก็คือกันเพื่นฟังได้ยินแล้วเพื่นว่ามันโบดีแล้วนี่ยเขาก็เลิกแล้วใจเ <c oughs> ขาผู้ได้เลิก็จีว่าอัท ธ, ธบัญญัติยากที่จะรู้จะเข้าใจเพื่อนว่ามันโบดีแล้ว ออกไปมันทัดีอีกเติมมันบูดีได้น่ะอริยบัญญัติเป็นอริยบุคคลได้ยากลือถึงกับโบราอาริเปลวค่าศึกเนยะเปลวพลไตเป้นอริยบุคคลค่าศึกต่ออันใดเนี่ยค่าศึกต่อสิ่งเศษติดมึนเมาทุกส่วนเนี่ยเป็นค่าศึกเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันและกันอันนี้ข้อแรกที่สุด ต้องรู้อันนี้ก่อนเรื่องข่มโกดข่มโลรคข่คมหลงนั้นมันอีกเติมซันหนึ่งอีกเติมมันลึกจังอ่ะอริยบุคคลบันนี้เมื่อปฏิบัติเลิกละโมนเแล้วเหาก็หูวจักแล้วจิตใจมันคิดขึ้นมาวูบนึื่องหูวจักหั้จักซื่อๆด้หูวจักซื่อๆเหมันทีมีงานเกิดขึ้นให้เห็นแจ้งรู้จริงคือเฮาเบิ้งกันนะที่เราเห็น เห็นจับอันนั้นใบอันนี้จะเห็นซื้อเสี่ยงเลียงนามมันได้เมืองกับผู้ไายจิมรักษของเขาเนี่ยเขาเห็นหน้าผู้ลายมีอยู่คนจิมมารักของเขามีปืนหรือมีอันใดก็ตามแล้วมีมีมีผ้าจีว่ามันขึ้นมาแล้วเขาก็เห็นเจ้าจิมาหยั่งหรือเธอจิมาหยั่งท่านจิมาหยั่งมันกางคนบอกว่าจิมรักของจิมาพุ้นมาจี้บางคนจีว่าแต่เนี่ยเขาบูมุ่จักเรื่องสมว่า บ้านี้เขามีปืนยูนี่เอาจับปืนให้เบื้องเนี่เอาไหมอยากตายเลยบางทีครับมันกระโบเอาได้แล้วเพราะมันยานตายอันนี้ก็คือการเรื่องโทสะโมหะโลภะในเห็นบุเมตาในเห็นใจมันเห็นใจมันสัมผัสอยู่จังว่าสัญญาคว่มรู้ขันจังว่าขันอันนี้รูปขันอันนี้รูปขันอันนี้ก็เห็นเวทนาขันก็เห็นบันเนียสัญญาขันก็เห็นสังขารขันก็เห็นวิญญาณขันก็เห็นบันนี้ อันนี้เพื่นว่ามันเห็นแจ้งมันรู้จริงจึงว่ามีวิตกวิจารณ์มีปีติมีสุขมีเอกคตาเพิ่นวา่าแปลงสันตำลาเพิ่นว่าเพื่อนว่าปฐมมาสานต้องเป็นอย่างสันพูด ต, ติยาสานต้องเป็นอย่างซีแต่ตียาสานต้องเป็นอย่างสันจัตุท่าานต้องเป็นอย่างนั้นปัญจมาสานต้องเป็นอย่างนั้นตำลาเพิ่นว่าอยู่พนุนแต่ความจริงเฮานี่กิ่รู้เองรู้เองแท้แท้เนี่ยพ่อ โบมีไผ่ซีมาไว้ลูกโบได้เดาเจ้าว่าพูดเหลือตัวแล้วสินวากยาแล้วโบได้เหลือเนี่ยพอเลิกถึงมีกระน้อยที่สุดหรือเบาไปเป็นอย่างนั้นบัดนี้คนมาไว้เห่าสินตัวขันอันนี้ตัวลูกขันเนี่ยเป็นคนฟังตัวสัญญาขันนะบัดเนี่ยมันที่ไปจําอยู่บนมันหูหันเนี่ยที่วาเวทนาขันเวทนากรเสวยอันมันบุตรอันมันบุทุกข์ขันแล้วมันเหตุอยู่เนี่ย สัญญาคมหมายรู้จําได้อันนี้พี่เนีบอกไม่ว่าชื่อจของเอาไว้บนท่านเห็นหนังสือว่าทางสั้นตกคอว้ายให้ทางสั้นตัวขออันนั้นเป็นเรื่องสัญญาอันนึงอันมันเป็นอย่างนั้นนี้นึว่าสัญญาอันนี้กับสัญญาอันนั้นมาคนละสัญญากันแต่ว่าหากว่าสัญญาคือกันเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นเทยงว่าสัญญาขันคนว่ามีสัญญาเด้มันกระจาบูได้เลยมันก็ะทำซัวพูซัวคิดซัวแต่เนื้อ สัญญาคมจำเนี่ยอันสัญญาย่างยางพาวานี่ยมันตรงกันข้ามโลดมันเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันและกันโลดจริงว่าเห็นแจ้งดูจริงจริงว่ารูปอันนี้มีศินสินว่าแต่สินซื้อในนั้นบอกว่าสินห้าสินแปดสิสิบสินสองร้อยี่สิบเจ็ดบ่ได้ว่าถึงอันนั้นเพราะรูปอันนี้มีขันขันยัง้งขันห้ารูปอันนี้รูปขันเวทนาขันกับในอันนี้นี้อยู่นี่ ตัวธนากระเตวอารมณ์นั่นนี่สัญญาขันน่ะสัญญากควมหมายรู้จําได้นั่นนี่สังขารขันนี่สังขารขันกะอันมันปรุงมันแต่งนั่นแล้วมันเป็นวิญญาขันนี่สัญญาขันกะเปรวาลูนั่นเลยควมเดียวกันได้หามาแยกเป็นกันคนละอย่างเพื่อเอิญถาตซีถาดดินถาดน้ำถาดสายถาดลมปัดซุมกันเข้าเพเนื้อเราเป็นคนพันวาพอแม่ครูบาจานไว้ฝังจังสัน แต่เมื่อมาปฏิบัติแทนมันกรแมนเต้นหักบูแมงคืออย่างพนว้านั้นเมื่อมันเห็นมันรู้สิแล้วเป็นค่าศึกกันในแถบคนเ อ, เอิ้นว่าอริยะบัญญัติเป็นเองอนี่ยพอกวาอยู่เรื่อยเรื่อยเนี่ยเนพอเดินเดียว่าย่างกลับไปกลับมาก็ได้หรือว่าเดินจมกลมก็ได้ฝากหนึ่งมันเป็นต้นหมักฐานฝากหนึ่งบูแม่ฝากดอกซ้อนทางนั้นเป็นต้นหมักฐานส้นทางนี้เป็นต้นคอย ยางกลับไปกลับมาอยู่อย่าพ่อเห็นแล้วเนาะโอ้มันเป็นอย่งที่ได้ความเป็นพระสินอย่าพ่อเป็นโยมอยู่แหละเนี่ยแยกไปเสื้ออย่าพ่อจึงบบเสื้อตำรับตำลาครูบาอาจารย์ว่าอย่าพ่อฟังเสื้ออย่าพ่อโบเสื้อทดลองบังรถอย่าพ่ออย่าพ่อเป็นคนชอบทดลองอยากหูจักจริงหรือโบจริงอย่าพ่ออยากหูจักัินครูบาอาจารย์พันไว้ฟัง หากเป็นคารวะาญาณโยมปฏิบัติธรรมะถ้ารู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจจริงแล้วท่นเป็นเพศคาราวะาอยู่บกเกินเจ็ดวันตายเลสมบูรต้องไปบวชเอันต้องไปบวชเป็นพระถือเพศเลืองอยังมีอายุอยู่ได้ดังนั้นมูเมออกพอออกผู้สายนะผู้ยิงคือกันจึงบ่อยากปฏิบัติธรรมะยานตายเนี่พ่ อ, พอบ่กลัวตายอย่างนั้นเนี่าพอ่อรู้แล้ว เข้าใจแล้วนํามาว่าให้พี่ให้น้องมาสอนคนอยู่เป็นโยมสองปีกับแปดเดือนผู้หญิงพอสอนทดลองเบื้องกระแมนและว่าอยากให้หมู่หู้จักกระแมนข่มจริงกับหนักใจสอนให้ว่าสอนเมียเจ้าของเาสนับสนุนตั้งใจว่าจะสอนเพราะว่าเรารู้บุญคุณกันแล้วจึงว่าบุญคุณผัวเมียอายุเดวยกันนี่ก็มีบุญคุณมากโบแมนสิยู่กันย่างธรรมดาเนี่ ยู่ด้วยความเคารพแต่เขาหัหกหัจักไซื้อเมื่อหูวจักแล้วเหมัอนรู้จักจึงว่าพระนิยบุคคล น, นั้นเป็นโลกียะโลกียะคือความสุขด้วยโลกียะยู่กันด้วยความบุทุกบัด น, นี้จิตใจโบมีความทุกยู่กันด้วยธรรมะยู่กันด้วยคุณธรรมเป็นวันจงว่าให้เขาหูวจักหน้าที่ของเขายู่กันด้วยคุณธรรมจริงๆถ้าหากว่าโบอยากยู่ด้วยกันกัน ยุ่แย่งกันอยู่ก็ได้จะยุ่ด้วยกันก็ได้บ่เป็นอย่างเพิ่นว่าอาจารย์ตำลาเพิ่นว่าพระโซดาบันบุคคลยังมีครอบครัวผัวเมียตามประเพณีโลกแต่บ่ไปตกอบายเงาผูมือนังสือว่าอย่างสันนี้ทำไมไม่ภาคบริเศษสองเนี่ยพราะก็ได้อ่านเมืองนี้ได้อ่านมืองเต็งเนี่ยพราอ่านหนังสือบ่ได้ก็จริงแต่เพริปองอ่านเดี๋ยวนี้นี่เอาไปเข้าใจว่ายันตายย่ันเป็นผัวปะเมียห่างกัน ขันธ์ท่าไม่ออกผู้หยิงนะย่านผัวไปบวชเนี่ยบัด น, นี้ขันธ์ท่าเป็นผู้สายโบอยากให้เมียไปปฏิบัติธรรมะย่านเมียประจิตวัดเนี่ยเป็นอย่างไรยานเมี ย, ย, ย, มยออกจากตัวเองคิดไปอย่างไรเชื่อว่าอันนั้นคิดผิดคิดโบตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเชืว่าตั้งใจปฏิบัติจิรู้จริงๆเรื่องนี้โดยวิาถามไปทั้งหมดเมื่อรู้อันนี้เหตุอันนี้แล้วมันจะเกิดควมภูมิใจมันจะเย็นให้ว่าจะไป มีคนเอื้นมาตำหนิมันชี้ความเย็นอันที่เข้ามาก่อนมีคนเอื้นมายกย่องมันก็จิบอเป็นอย่างมันชี้ความเย็นอันนเข้ามาก่อนอันนี้หลวงพ่อเวา้าความจริงสู้ให้ฟังจึงว่ามีสุขมีปีติมีเอกคตาเพลนวางทันอันเอกขาตาในพนเอื้นอารมณ์เดียวมีสุขนั่นคือเป็นบททุกมีปีติยินดีต่อการกระทําของเราจึงโมละโมเลิกโมทิ้ง วิธีอันนี้เยพ่อทิ้งไม่ได้เพราะเนยพ่อปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเนยพ่อนอนอย้เสีงยงพ่อกบเบ็เบิ้งเบิ้งใจเนพอ่อมันเป็ น, ย น, นอย่างเนี่ยพ่อเบิง้งเนี้ยพ่อหักใจจึงว่าเรื่องโลกกับเรื่องธรรมนี่มันกระปากกันบ่ได้มันก็กนยนกอยู่ํากันทิ้งออกจากกันบ่ได้โลกก็แปลว่าโลกคือดินฟ้าอากาศโลกคือมูสัตว์โลกคือการงานโลกคือความทุกข์นี่ยเป็นว่าหลายอย่างบันนี้คนมันต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ที่คนอื่นโลกอันนี้ ทำบัดเนี่ยทำกระตัวเฮาเนี่ยทำทำทางจิตทำทางใจทำความบุปผิทุก์นั่นเดี๋ยว่าทำธรรมะเนี่ยอาธรรมบัดเนี่ยทำแล้วมันทุกข์มันมีความเดือดร้อนสับสนวุ่นวายพเอ้นอาธรรมธรรมะกับอาธรรมเนี่ยจึงความเดียวกันหักว่ากันคนละย่างซื้อแต่เมื่อบูฮุจักนี่ยก็ต้องฝังพลวาไปซื้ออันนี้แหละคันได้คันนี้เรา โบต้องถามไผ่เนี you. Job, ่ยพ <Yeah. S 2> ่อโบถามไผจักเถื่อโบเคยถามจักเถื่อแท้ๆเนี่ยพอถูกบ่ผิดบ่เนื้อโบเคยถามไปจบไปสิ้นกันสีใด้ังสิเนี่ยพอโบเคยถามจักเทื่อพราะอี่ยพอสามารถว่าเอออันนี้แหละพโนเอสนิสมาทิฏฐิควอมเห็นถูกต้องนี่แหละทีแรกก็เห็นแท้ๆในเห็นตัวเหาแท้ๆเห็นถูกต้องแท้ๆอันเนี่ยโบได้เป็นเห็นผีโบได้เป็นเห็นเทวดาโบได้เป็นเห็นพระพุทธเจ้าอันนี้เอ็นวัดสัมมาทิฏฐิ แปลความเห็นถูกต้องคันท้าโบเห็นทุกอันนี้แล้วโบเมียนถูกต้องถูกต้องแต่ตำลาซื้ออันสมาธิิสมาสังกปะ ส, สมาวาจาสมากรรมันตาสม า, สม า, สมาอันนั้นมักแปดทำการงานสอบผู้อมตำลาเวา้าได้อนั้นโบเมียนคืออย่างเพราะว่าเห็นทุกต้องต้องเห็นตัวเหายัางเม่ออกนั่งอยู่ดี๋ีเนี่ยผู้ใดนั่นงจังไงก็ต้องเห็นตัวเห่าพิษตาอยู่ดี๋ยนี้นก็ต้องเห็นตัวเหาจริงถูกต้องเตะ ทำดีก็เป็นตัวเหาทำทำซั่วก็เป็นตัวเหาทำเนี่ยทุกต้องเท<ๆ>จิว๋วได้ต้นทางแล้วเบิ่เนี่ยรู้จักแล้วเบิ่เนี่ยข่มโลภข่มโกรธรลงก็บเบาลงได้ต้นทางคือได้ต้นความคิดนี่เนี่ยมักเป็นผู้ปฏิบัติสันเป็นข้อปฏิบัติหรือเป็นผู้ปฏิบัติโตเฮานี่ปฏิบัติปฏิบัติจังซีให้จังซีจึงเข้าใจงี่มักต้องทำบ่อยๆเบิบ่มักไปว่าเบิง่งหนูพ่อว่าอย่างสั้น ภาษาบ้านหลวงพ่อหรือภาษาหลวงพ่อมักแปลวเบื้องเบื้องอันใดเอาสติหรือเอาจิตเอาใจคำว่าเบื้องตัวเฮานี้เบิ้งใจมันนึกเบื้องคิดหรืมักจึงแปลวเบื้องมักจึงเป็นข้อปฏิบัตินี้โนจึงทําให้แจ้งทำไปมันแจ้งมันเข้าใจจริงนี้โนจึงเอาพ้นไปก็ได้ทําให้แจ้งก็ได้จิว่าอย่างณก็ได้มันเรื่องเหมือนว้ามันว่าวหลายเมื่อรู้จักงซีล้วก็รู้จักละ ที่เทวดารู้จักรคักๆบ่นเนี่ยตายแล้วเกิดตายแล้วไปตกนรกรู้จักขึ้นมาแล้วหักบทันสะอาดเถื่อแต่รู้จักรน้อยๆแปลว่าเขาได้ต้นทางเขาจะเดินไปหาพระพุทธเจ้าเดินไปหาพระธรรมเดินไปหาพระสงฆ์ในเทวดาโบเมนเดินในจีนยางไปเส้นโบเมนอั น, นเดินพ่อการกระทํำแล้มันจะเกิดปีติเขาจะไปติดปีติจะไปติดความพอใจเท่านั้นแหะเศราอยู่หันละ่ะโบเมนอันเฮ็ดเล่งเขา้า จึงว่าย่าไปดีใจที่มันหูย่าไปเสียใจที่มันบูหูย่าไปดีใจย่าไปเสียใจถ้าไปดีใจเสียใจมันติดเพอร์เอิญปีติหันว่าภาษาทางมันบูดิเพอร์เอิญอุปาทานหันว่าภาษาทางดีเนะี่ยเพอร์เอิญปีติขวมอิ่มใจเลยสิอย่าอิ่มอย่าพอแค่นั้นถ้าอิ่มค้าพอแค่นั้นเลยบูถึงจุดหมายปลายทางแล้วปฏิบัติไปเลยสิรู้จักเลิกละ กิเลสตันหาอุปทานนี่ยโบมิมันเลิกเหมือนกับน้ำสีน้ำสีเต็มกระป๋องหนึ่งคุณภาพมัน1อยเปอร์เซ็นไปยอมผ้าขาวถ้าหากเป็นสีดําผ้าจะดํหมัดสีมันติดถ้าเป็นสีแดงผ้าก็จะแดงไปตามสีบัด น, นี้ถ้าเหาเห็นเหารู้เหาเข้าใจแล้วน้ำยอมน้าสีเนะี่ยเต็มกระป๋องแต่เป็นน้ำยอมไม้เหมือนคุณภาพ เอาผ้าเขาไปยอมโบติด ต, ติดกระน้อยที่สุดติดแล้ก็สักออกไงหลดุดลางออกไงหลดุดจึงว่าถ้ามีกระตุ้นเขาเห็นนักจิจืด อ, ออกไปหลดุดเรื่องอุปทานเรื่องมูนีมันเป็นอย่างสัจนจึงหัวใจว่าผลมันเกิดขึ้นมาอย่างสัจนมักจึงเป็นข้อปฏิบัติผลคือเขาได้รับนั่นแหละ <c oughs> จึงว่ามักผลมักกับผลจึงไปนํากันมักจึงต้องทําอย่าพูดอย่าคุยอย่าไปนั่งเล่น เป็นบางสตย์มาพผลมันจะออกไม้เหาได้รับผู้อื่นบาได้รับจากเาห่าหอมูลนเนี่ยจีว่าซื้อบอ่อได้ขายบ่ได้หาผู้อื่นทําแทนบันจะจีว่าเหาเองเป็นคนรับเหาเองเป็นคนทํามันเป็นอย่างสัตย์สินก็คือกันโบต้องไปได้รับกับพระเจ้าพระสงฆ์มันมีอยู่แล้วสิอัญญาพรวาลนี่ก็ได้บันไดการู้ว่ามีศินคือสินขันสมาธิขันปัญญาขันยัญญาพรวาลนนะ ขันกับตัวเฮานี่น่ะมันมีสินประจำตัวมันโบเมนเอาสินรูปขันไปเป็นสินเวทนาขันโบเมนจะเอาสินเวทนาขันมาเป็นสินรูปขันในโบเมนอย่างคาว่าปานาติปาตาเวละมณีสิขาปะทหังสมาธิี่ยให้รูปถือเนื้อนเนี่ยเนี่ยกับโบเมนอธินาให้เป็นอันเวทนาถือเนื้อกับโบเมนคือมันเฉพาะตัวมันเฉพาะตัวเฉพาะตัวได้เนี่ยพราวาน บ่แม่จีจะมาถือร่วมกันอังสันจิไวัยนี่พอวา่าภาษาบ้านเญีพอบ้านเน่พอก็จะไปหาปูหาปลาหาเนื้อ